เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ของหัวหน้าคุณเบิร์ตได้มาเล่าให้คุณเบิร์ตฟังเกิดขึ้นในบ้านของหัวหน้าแถวแถวรังสิตเมื่อประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาหัวหน้าได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ทางเข้าจะเป็นซอยเก่าๆบ้านจะอยู่ประมาณเกือบเกือบท้ายซอยลักษณะเป็นบ้านปูนสองชั้นมีวันหนึ่งหัวหน้านั่งทางานอยู่ที่ชั้นสองจนถึงเวลาตีสอง ปกติหัวหน้าจะเป็นคนนอนดึกหัวหน้าได้ยินเสียงเหมือนม้าวิ่งอยู่ตรงลานข้างบ้านก็เลยเปิดกระจกบานเกรดออกไปดูปรากฏว่าเจอเงาดำๆลักษณะเหมือนคนขี่มา้าตัวใหญ่ๆกำลังวิ่งวนไปวนมาอยู่ลานข้างบ้านหลังจากนั้นก็มีควันขาวๆซึ่งลอยมาตามถนนแต่พอมาถึงหน้าบ้านของหัวหน้าแล้วควันนั้นก็ลอยเข้ามาภายในบริเวณของบ้าน แล้วก็กระจายหายไปต่อหน้าต่อตาของหัวหน้ารวมทั้งเงาของคนที่ขี่ม้าด้วยหัวหน้าก็ไม่อยากคิดอะไรมากเพราะเดี๋ยวจะกลัวซะเปล่าๆหลังจากนั้นประมาณอีกสองวันได้มีมอเตอร์ไซค์มาคว่มที่หน้าบ้านหัวหน้าจึงเรียบวิ่งไปดูและช่วยคนเจ็บแต่หัวหน้าเห็นเป็นแผลแค่เล็กๆที่หัวแต่เลือดไหลออกมาเยอะมากหัวหน้าจึงรีบช่วยทาแผลให้หลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์ก็ได้มีมอเตอร์ไซค์ มาความตรงจุดเดิมสามอีกแล้วก็เป็นแผลที่หัวเหมือนกันหัวหน้าเริ่มสังเกตว่ามันแปลกๆและเริ่มคิดในซอยนี้น่าจะมีอะไรแล้วมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่หัวหน้าทํางานเสร็จประมาณตีสองเกือบตีสาหัวหน้ากําลังเคลิมหลับอยู่บนเตียงก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเอามือมาปัดถุงก๊อบแก๊บอยู่ตรงบริเวณปลายเตียงแต่หัวหน้าเป็นคนสายตาสั้น จึงลุกขึ้นมานั่งและพยายามมองว่ามันคือเสียงอะไรในห้องพอจะมีแสงไฟจากข้างนอกสาดเข้ามาอยู่บ้างเห็นเป็นเด็กผู้หญิงผมยาวยืนหันหลังให้และเอามือปัดถุงอยู่ตรงปลายเตียงพอวัวหน้าลุกขึ้นมาเพ่งมองดีๆปรากฏว่ามีคนแก่ยืนอยู่ข้างๆเด็กผู้หญิงด้วยวัวหน้าก็พยายามเอื้อมมือเข้าไปลองคว้าดูเราคิดว่าตัวเองตาฝาดอยู่หรือเปล่า แต่คนแก่ก็ได้เอื้อมมือมาจับแขนหัวหน้าไว้หัวหน้าก็เลยจับที่แขนคนแก่ด้วยลักษณะหนังจะย่นย่นเย็นเย็หัวหน้าก็เริ่มจะสติไม่อยู่กับตัวแล้วและจังหวะที่กำลังจะล้มตัวลงนอนเด็กผู้หญิงก็ได้หันหน้ามามองแต่หันแค่หัวตัวอยู่กับที่และก็ยิ้มให้จนหัวหน้าพยายามจะสวดมนต์แต่ก็สวดไม่ออกแล้วก็นึกถึงแม่แทนสักพัก ได้ยินเสียงคนเขย่าลูกบิดประตูแรงมากทั้งเด็กและคนแก่ก็ค่อยๆจางหายไปแล้วเสียงลูกบิดประตูก็เงียบลงตอนเช้าหัวหน้าจึงได้ไปเล่าให้คนข้างๆบ้านฟังเขาก็ได้บอกว่าถนนตั้งแต่หน้าซอยจนมาถึงท้ายซอยจะเป็นเหมือนทางส่งวิญญาณทุกๆวันพระจะชอบมีเสียงหรือเหตุการณ์ในลักษณะนี้อยู่บ่อยแล้วก็มีคนเห็นอยู่เป็นประจำ บางคนได้ยินเสียงวิ่งที่ถนนหลายคนเหมือนเป็นกองทัพแต่พอมองออกไปก็ไม่พบอะไรเลยและทุกครั้งที่เป็นวันพระเสียงหมาจะเริ่มหอนกันตั้งแต่หัวคำ่ำมีอยู่ครั้งหนึ่งวัยรุ่นได้มาตีกันอยู่ในถนนแถวๆหน้าบ้านจนหัวแตกและล้มลงเขาเห็นเป็นลักษณะคนแก่ตัวเล็กๆผอมๆไม่ใส่เสื้ออยู่ๆก็โผล่ออกมานั่งยองๆ แล้วเอาปากดูดเข้าไปที่ตรงแผลที่มีเลือดไหลจนเลือดไหลออกมานองพื้นโดยที่เจ้าตัวเหมือนจะไม่เห็นคนที่กำลังดูดแผลบนหัวของตอนเองอยู่หัวหน้าจึงเดิอนออกไปดูที่ท้ายซอยก็พบมีสารไม้เล็กๆตั้งอยู่กับพื้นแล้วก็มีพวกของเส้นว่าอยู่เต็มหน้าสารแต่ที่แปลกคือมีแต่ของดิบเช่นเนื้อหมูดิบๆเนื้อไก่ดิบๆถุงเลือดดิบๆ ทุกวันนี้หัวหน้าของคุณเบิร์ดก็ยังไม่ได้ย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นเพราะเจอจนชินไปแล้วและนี่ก็คือเรื่องดาวทั้งหมดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c คร b e เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ